คนตัวหนึ่งพูดไว้น่าสนใจนะ ว, ว่าภารกิจในช่วงเขาคือหนึ่งคนหาตัวเองแที่สองคือว่าสลายตัว ต, วตนให้หมดสิน้นคนหาตัวเองให้พบ แล้วก็สลายตัวตนให้หมดสิน้นคนพูดนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นพุทธหรือเปล่านะแต่ว่าก็สอดคล้องใกล้เคียงกับแนวคิด ท, ทางพุทธศาสนามากเรื่องการค้นหาตัวเองอันนี้ก็พระเจ้าเคยจัดไว้นะ ตอนที่ตัดสรุใหม่ๆแล้วก็หลังจากที่จำบรรษาแรกพอพรรษาเสร็จพร่งก็เดินทางไปยังกรุงราชคฤห์เพราะว่ารับปากกับพระเจ้ามีพิสารว่าเมื่อพระองค์ตัดสรุปทำแล้วก็จะเสด็จไปโปรดระหว่างทางค่ะช่วง น, นั่งพักอยู่ก็ มีชายหนุ่มประมาณสาสิบคนผ่านมาแล้วก็ท่าทางดู ล, ล, ล, ล, ดลึกลุกล่นดูหน้าตาลึกดลักหรือว่ากำลังใส่มองหาอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ถามมือหรวเจ้าก็ถามว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผ่านมาแถวนี้บ้างหรือเปล่า คือเรื่องของเรื่องคือว่าก่อนน้นานี้ก็มีการเที่ยวกันนะ ส, สำเริงสำราญกันแค่คงให้ปิกนิกกันนะแล้วก็มีการชวนผู้หญิงไปเป็นไปร่วมสนุกด้วยแล้วผู้ชายคนยงไม่มีคู่ก็เลยชวนผู้หญิงคนหนึ่งก็จะเป็นนางคณิ ก, กาเนี่ไปร่วมสนุกพอ คนลนี้เพลอนางขณิกานี้ก็หยิบข้าของทรัพย์สมบัติมังเป็นพวกเพชรนินจินดาเนี่ยแก้แบงเงินทองหนีไปนั่ชายหนุ่มกูนี้พอรู้ก็ตามหาเลยมากพระพุทเจ้าไม่รู้เจ้าเป็นใครนะก็ถามว่าท่นเห็นผู้หญงคนหนึ่งผ่ามาเท่นี้บ้างไหมพุทธเจ้าท่านที่จะตอบว่าเห็นหรือไม่เห็นก็กลับตอบว่า ระหว่างการแสวงหาผู้หญิงกับการแสวงหาตัวเองอะไรจะดีกว่ากันพอได้ยางงี้ชายหนุ่มทั้งสาสิบคนก็ชะงักเลยนะเพราะไม่เคยมีใครถามแบบนี้มาก่อนแล้วก็มันก็ไม่เคยมีคำถามนี้อยู่ในหัวเลยแสวงหาตัวเองนี่มันมีได้เหรอก็สนใจอยากรู้ พ อ, อฟังทำแต่ผู้เจ้าพิจารณาตามก็บรรลุธรรมเป็นพระสโสดาบันบ้างเป็นพระนาคามีบ้างก็คือก็คงจะค้นพบตัวเองกันนะจ า, จากที่ได้ฟังทมในการสังหาตัวเอง อันนี้เป็นเหมือนกับเป็นเรื่องพื้นๆ ง, ง่ายๆที่คนไม่สนใจจะถามเพราะคิดว่ามันก็แงอยู่แล้วนะทำไมต้องแสวงหาตัวเองแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นคำถามที่สำคัญมันเป็นธารกิจที่มีคุณค่ามาก เพราะคนส่วนใหญ่ไ ม, ไม่ไม่รู้จักตัวเองลืมตัวบ่อยเมื่อลืมคนเราเมื่อลืมของเราก็รู้ตัวเมื่อไหร่เราก็พยายามหาลืมกระเป๋าเงินลืมกุญแจรถก็หา แต่คนจำนวนมากลืมตัวก็ยังไม่รู้เลยนะว่าลืมตัวก็เลยไม่คิดจะหาแต่ถ้าลืมแล้วก็รู้ว่าลืมมันก็จะกลับมาหาใจเราเนี่ยมันลืมนะลืมตัวอยู่บ่อยๆเมื่อรู้ตัวเมื่อไหร่ใจก็กลับมากลับมา ตัวนะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้ตัวขึ้นแต่ว่าการรู้จักตัวเองนี่หรือการสดงออกตัวเองนี่มันมีความหมายนะมากไปกว่า น, นั้นมันไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่าเออเรามีนิสัยอย่างไรเนะี่ยเรามีความชอ้อยมีความถนัดอะไรเท่านั้นที่จริงแค่นี้ก็ยากแล้วนะเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้ เรียนจบมาทไรยังไม่รู้เว่าตัวเองชอบอะไรถนัดอะไรจบมาแล้วก็ไม่รู้ว่าควรจะทํางานอะไรดีแม้กระทั่งคำว่าการนอกจากรู้จักตัวเองว่าตัวเองถนัอะไรแล้วเนี่ยรู้ว่าตัวเอ ง, องต้องการอะไรนี่ก็ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันคนเรานี่ ส่วนใหญ่นี่ไม่รู้ตัวเองต้องการอะไรนะแม้แต่เรื่องง่ายๆก็ไม่รู้ง่ายหรอเ่าแต่มันเรื่องที่คนสนใจกนะันคือเรื่องการหาคู่คนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยคู่ที่ตังต้องการเนี่ยคือใครมีลักษณะอย่างไร ดูเหมือนง่ายแต่ว่าจริงมันไม่มันไม่ใช่อย่างที่ตัวเองเข้าใจคือเดี๋ยวนี้มันมีการหาคู่โดยใช้วิธีการใช้บริการขอออนไลน์ของคอมพิวเตอรนะ์อันนี้ก็เป็นแนวโน้มใหม่ที่กำลังมาแรงในยุโรปในอเมริกาในยุโรปอเมริกานี่แต่ก่อนหาคู่ได้คู่ก็จาก ไปเจอกันที่โบสถ์นะหรือว่าพ่อแม่แนะนำหรือว่าตอนหลังก็ไปเจอกันในที่ทำงานหรือว่าการแนะนำของเพื่อนหรือว่าการแนะนำของเพื่อนนี่สูงมากนะเมื่อสามสิบสีสิบปีก่อนพราะคนไม่เคยเข้าวัดกันละไม่เคยเข้าโบสถ์พ่อแม่ก็มีที่พนน้อยเพื่อนสาคัญก็รู้จักผ่านเพื่อน แต่ตอนหลังเนี่ยในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยการหาคู่ผ่านบริการออนไลน์ก็มีเยอะขึ้นคล้ายๆลุงข่าวหาหนวดนะแต่ว่ามันให้ลุงหนวดหาคู่แต่ก่อนไทยเราวมนมีลุงหนวดหาคู่นะคนก็ใช้กันเยอะเมืองไทยน ะ, ะแต่ว่า ทีนี้พอมีบริการออนไลน์นีคนก็ใช้มากได้คู่ครองหรือว่าเจอแฟนก็จากคำแนะนำของหรือการหาคู่ของพวกบริการออนไลน์นี่แหละแล้วเขาพบว่าคนที่ การ ค, ร บ, การครบการคบกันหรือการการตกลงปลงใจว่าจะคบกับใครเนี่ยเช่นชอบคนนี้คบกันไปนานๆจนถึงแต่งงานเนี่ยมันมีข้อมูลที่น่าสนใจคือว่าเวลาเขาหาคู่เนี่ยก็จะให้กรอกว่าชอบผู้หญิงถ้าผู้ชายกรอกก็จะทอเขาชอบผู้หญิงแบบไหนมีสเปคอะไรบ้าง ผมทองตาสีฟ้าอาชีพอะไรทำงานอะไรศาสนาอะไรเนี่ยเป็นต้นศาสนานี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็กรอกกรอกกรอกเสร็จแล้วก็เขาก็จะให้แนะนำคนนั้นคนนี้บริการออนไลน์ก็จะแนะนำคนนั้นคนนี้แต่ปูากว่าพอตกลงปลงใจว่าเออเนี่ยจะคบกับคนเนี้ย ใอ้คนที่ตัวงปกตรงองใจครบเนี่ยหรือว่าจะดูใจกันหรือว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยจำนวนมากเลยที่มันไม่ตรงกับสเปคที่ที่เขียนเอาไว้อยากได้ผู้หญิงผมทองอะแต่ว่ากลับไปไปแต่งงานหรือไปคบกับผู้หญิงนะผมดําไม่ตรงกับสเปคของตัวเลย เ่าเลยได้ข้อสรุปว่าเนี่ยการการตัดสินใจเลือกคู่ครองของผู้คนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้มันไม่ได้สอดคล้องมไม่ได้ตรงกับที่เขียนเอาไว้เลยก่อนหน้านั้นแปลว่าอะไรแปลว่า เจ้าตัวเองเนี่ยคนที่เขียนยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการคนชนิดไหนแบบไหนจริงๆแต่พอได้มาเห็นถึงรู้ว่าเออเนี่ยใช่แล้วคนที่บอกว่าตัวเองว่าใช่เนี่ยมันก็อย่างที่บอกมันก็ไม่ใช่มันไม่ตรงกับที่ตัวเองคาดเอาไว้หลายคนไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรต้องการอะไรก็ต่มเมื่อได้เห็นสิ่งนั้น ก่อนหน้านั้นเไม่รู้ต่อมาได้เห็นกับตาย่งรั้วโอ้เนี่ยใช่คือสิ่งที่เราชอบมันไม่ใช่แค่การตัดสินใจเลือกคู่เท่านั้นนะเรื่องอื่นก็เหมือนกันที่จริงสตีจฟจ็อบสเคยบอกไว้นะว่าคนเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าตัวเองต้องการ iPad เนะ จนกระทั่งได้มาเห็น iPad แล้วถึงรู้ว่าใช่นี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงอันนี้เขาก็พูดเป็นขอน้อคิดแล้วพูดเล่นก็ไม่รู้นะแต่ว่าในหลายในช่วงผู้คนส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างงี้นะมีหลายคนมาสุกโตมาพูหลงเนี่ยประโยชนแรกที่พูดที่พูดกับผมก็คือโอ้ที่นี่สงบนะแล้วก็ ชอบประทับใจแล้วก็อยากจะกลับมาอีกหลายคนส่วนตัวเองเนี่ยชอบความสงบหรือต้องการความสงบคพื่อหลายคนเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนแล้วว่าตัวเองต้องการความสงบนะพอมาถึงที่ที่สงบอย่างที่มาสุกโตภูหลวงเนี่ยถึงค่อยรู้เออเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆตอนที่ยังไม่ได้มาก็ไม่รู้ ไม่รู้หรือว่าไม่ไม่ชัดเจนมันก็แสดงว่าจริงๆแล้วคนเรานี่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรมารู้ก็ต่อเมื่อได้มาเจอมันต่อหน้าต่อตาหรือได้สัมผัสหรือบางทีมารู้ก็ต่อเมื่อมัน ไ, ไกลแล้ว เย่างเช่นคนที่แสวงหาเงินทองมากมายนะเอาแต่ทํามาหาเงินนะไม่สนอย่างอื่นเลยนะเพื่อนก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาพอได้อย่างที่ต้องการแล้วพอมาถึงชีวิตบ้านปลายก็พอนี่ยมันมีสิ่งที่ชีวิตต้องการมากกว่านี้ ให้เงินทองไม่ใช่สาระสำคัญเลยเนี่ยความสัมพันธ์เช่นมิตรสหายหรือครอบครัวหรือว่าความสงบใจนี่สำคัญกว่าบางคนมันรู้กันแ่มนสายไปแล้วนะคจะตายแล้วนะใคมารู้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยถึงตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอันนี้ก็อันนี้แหละที่เป็นเหตุทำให้ทอโร่เนี่ย นักเขียนอเมริกันเขียนได้ว่าโศงนาฏกรรมมาชีว์คือการที่คนเราเนี่ยตกปรามาทั้งชีวิตแล้วก็พบว่าไอ้ปลาที่ตกนี่มันไม่ใช่ปลาที่ตัเองต้องการใส่หาเงินทองนะดิ้นรนตอบสู้เพื่อให้ได้ชื่อเสียงได้ให้ได้ตําแหน่งสูงๆนะทํำลายผู้คนนะ เพื่อได้สิ่งนั้นมาเสร็จ แ, แล้วก็พบว่าเอ้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการเลยได้มาแล้วก็ไม่ได้มีความสุขได้มาแล้วก็ไม่ได้พอใจอันนี้เนี่ยที่โชว์โลหะโศกนาฏกรรมของชีวิตนะบางคนก็ตายแล้วก็เสียใจว่าไม่ได้ทําหลายอย่างบางคนก็เนี่ยมันมี เขาเคยสอบถามความคิดเห็นความรู้สึกของคนใกล้ตายในอเมริกาก็าบอกเนี่ยสิ่งที่คนรู้สึกเสียใจนะมาที่สุดคือการที่ไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่าไม่มีเวลาที่จะให้กับคนรัก เพื่อนฝูงมิสหายครอบครัวคือพอใกล้ตาย ต, ายตองถึงค่อยไม่รู้เนี่ยนี่คือสิ่งเราต้องการแต่ก็ ม, มีไม่มีเวลาแล้วทาไม่ได้ทําละวก็เสียใจนั่นประเด็นนี้ว่าเราคนเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเนี่ยสำคัญเพียงแค่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรอย่างแท้จริงนี่มันก็ เป็นคาตอบที่ช่วยได้เยอะแล้วแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่ึงต้องการอะไรในชีวิตไอ้ที่คิดว่าตึงต้องการที่มันอยู่ในความคิดนี่อาจจะไม่ใช่เชิญเไปตามกระแสเรียนคณะนั้นคณะนี้ม า, าอะไรนั้นม า, าอะไรนี้ก็เพราะว่ากระแสกระแสนิยมของสังคมหรือว่าเพื่อนชวนเพื่อนชวนก็ไปกระแสสังคมนิยมกระแสสังคมนิยมว่าอย่างนี้ ดีเรียนนิเทศศาสตร์เรียนธุรกิจนะดีเรียนหมอวิศวะเนยมันก็มีบางคนนะที่รู้ว่าตอนไม่ชอบแต่ก็จำใจเรียนก็มีอย่างเช่นมีลูกเพื่อนคนหนึ่งก็เรียนหมอเรียนจนจบแล้วพอจบล้าก็ไม่เป็นหมอนะไปเป็นช่างกล้องอิสระบอกว่าเนี่ยที่เรียนหมอก็เพราะว่า ตามใจพ่อแม่เรียนจบแล้วขอทําตามความใฝ่ฝาของตัวเองไปเป็นช่างกล้องถ่ายภาพอันนี้อย่างน้อยเขาก็รู้เขาต้องการอะไรแต่ก็ไม่แน่นะนจริงๆอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆก็ได้เดินทางรอบโลกไปเป็นช่างกล้องอาจจะเพราะว่าเอ้ยนั่นไม่ใช่สิ่งที่ร่างกายจริงๆนะ อาจจะลงเอยใยการอยู่กับที่แล้วก็อาจจะหันมาปลูกสวนทำเกษตรอินทรีย์ก็ได้หรือว่าตัดสินใจบวชก็ได้ก็มีคนหลายค น, นเดินทางแสวงหาแสวงหาข้ามน้ำข้ามทะเลมาหลายประเทศ เจนทางมาเจอนักบวชเจอนักบวชในอินเดียเจอนักเจอพระในเมืองไทยหรือว่าเจ อ, อพระในญี่ปุ่นก็เออเนี่ยคือสิ่ง ท, ที่เราต้องการจริงมีฝรั่งหลายคนก็ไปบวชนะบวชเป็นพระ ในเมืองไทยหรือว่าบวชเป็นบวชพระในญี่ปุ่นคนเหานี้ก่อนตอนที่เดินทางมาก็ไม่รู้ว่าต้องการอะไรจากว่าได้เจอวัดที่สงบเจอนักบวที่สุ ข, ขุมสำรวมก็เกิดความประทับใจอันนี้ก็มีเยอะนะพระสายหลวงพ่อชาพระฝรั่งหลายรูปนะก็ ชีพเปลี่ยนแปลงก็เพราะนี่แหละเพราะได้มาเจอเจอวัดเจอพระเจอหลวงพอ่พอก็เกิดความสุอเอเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการให้การเดินทางก็ช่วยนะการเดินทางข้ามน้ำข้ามเทเลหรือการเดินทางท่องเที่ยวก็ทำให้เกิดสกิจใจขึ้นมาว่ารู้ว่าตัวเองต้องการอะไร แต่ก็ไม่มต้องทําขนาดนั้นก็ได้บางทีการการสํารวจใคราครวนชีวิตของตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะทําให้พบว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองมีหรือแสวงหาอยู่เนี่ยมันไม่ใช่มันยังไม่ใช่มันต้องมีอะไรมากกว่า น, นั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องเจออะไรสักอย่างกระทบใจถึงจะเกิดการคําถาม อย่างเจ้าช้ยสิทธัตถะเนี่ยถ้าไม่เจอคนแก่คนป่วยคนตายแล้วก็ไม่เจอนักพรตนักบวชก็ก็คงจะยังอยู่ในปราสาทสามแล้วกลายเป็นกษัตริย์หรือจกักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่การที่ได้เจอนิมิตสี่นะนะเทวทูตสมนิมิตสี่นะ เทวทาสามคือคนแก่คนเจ็บคนตายส่วนนักบว น, นี่ไม่ใช่เทวทูนะเป็นนิมิตอย่างหนึ่งเป็นเครื่องเตือนใจพอเห็นก็เกิดคำถามในชีวิตนะเจอคนแก่คนเจ็บคนตายสูอันนี้ไม่สงสยัยนี่การที่เราอยู่ในประสาทสามหลังนี่มัน สามรู้ดูที่มันใช่หรือแต่พอเจอนักบวชนี่ก็กร้ส่วนเนี่ยคงจะเป็นคำตอบที่เราต้องการถ้าไม่เจอก็คงไม่ไม่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรสุดท้ายเนืเพราะเออเราต้องการการพ้นทุกข์ก็เลยเสด็จออกบวช การรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเนี่ยมันก็เกิดจากการไข้ควรภายในการไข่ควรภายในสมาธิภาวนานการปฏิบัติธรรมก็นาทําถูกนะก็ทําให้เรารู้นะว่าเราต้องการอะไรแต่ว่าสิ่งที่เรื่อยไปก็นะคือว่ารู้ว่าเราเป็นใคร หรือเราเป็นอะไรพอศึกษาไปศึกษาไปไข้ ค, ควรหรือว่าเพียงพินิดเจริญสติดูกายดูใจดูไปดูไปก็พบความวาจริงว่าโอ้ใจรึงละวนิ คําว่าตัวเรานี่มันเป็นแค่สมมุติมันเป็นแค่การปรุงแต่งของใจแท้นะจริงแล้วมันไม่มีตัวเราหรือตัวกูอยู่เลยนะมันมีแต่กายกับใจและกายกับใจนี่ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะคือจากเดิมที่รู้ว่าเออเราเป็นใครเราชอบอะไรเราต้องการอะไร อะไรคือสิ่งที่เราต้องการในชีวิตแต่สุดท้ายก็มาพบความจริงว่าโอ้แม้กระทั่งตัวเรารตัวกูเนี่ยมันก็เป็นมายามันไม่ได้มีจริงเลยนั่นคือเห็นความจริงเรื่องอ น, นัตตาไม่มีตัวตนไอที่มีก็เป็นแค่การกับใจแล้วก็อยู่แค่ชั่วคราวแล้วก็ยึดเอามาเป็นเราเป็นของเราไม่ได้เลยแม้แต่น้อย พอเห็นสภาวะเห็นอนัตตภาวะเห็นภาวะความเป็นอนัตตาคือก็พบว่าให้ตัวกูไม่มีาการรู้จักตัวอย่างที้โสคือการพบว่าตัวกูไม่มีอันนี้จะเรียกว่าสลายตัวตนก็ได้หรือว่าละตัวตนก็ได้แต่ที่จริงพูดถึงก็คือว่ามันไม่ต้องละไม่ต้องสลายเพราะมันไม่มีตั้งแต่แรก ถ้าจะสลายคือสลายความเชื่อว่ามีตัวตนความยึดมั่นสําคัญหมายว่ามีตัวตนหรือละความยึดมั่นสําคัญหมายว่ามีตัวตนที่เราอัตวาทุปาทานอัตวาทุปาทานแปลว่าความยึดมั่นสําคัญหมายว่ามีตัวตนหรือการยึดมั่นในความเชื่อว่ามีตัวตนนะอัตวาทุปาทาน วาทาว่ามีตัวตนความยึดมั่นในวาทะหรือความเชื่อวมีตัวตนอันนี้เรียกว่าอัตวาทุปาทานเราก็เรียกสัรสาวาความยึดมั่นในตัวตนนี่พอเห็นความจริงเมื่อเมื่อมองตนอย่างลึกซึ้งโดยกระบวนการวาิปัสสนาก็จะพบว่ามันไม่มี ตัวกูอยู่เลยอันนี้เราเป็นสุดอยอดการค้พบตัวเองเป็นสุดอยอดการรู้จักตัวเองหรือรู้และพบว่าไม่มีตัวกูมันเรียกว่าไอ้ตัวกูลสลายไปแต่ตรงนี้เรามันเป็นที่สุดแห่งความแห่งการ การถึงที่สุดแห่งทุกก็คือพ้นทุกทำความพ้นทุกให้ปรากฏขึ้นได้ทำชะไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแกเราได้ก็เพราะว่าไม่มีตัวเราเมันมีทุกก็จริงแต่ไม่มีผู้ทุกนะมันมีทุกแต่ไม่มีผู้ทุก อย่างที่พเจ้าตรัส ว, ว่าทุกเนี่ยเท่านั้นที่มีอยู่ทุกทุกเท่านั้นที่ดับไปนะไม่มีอะไรมากก่อนนั้นมันมีแต่ทุกและการดับทุกนะแต่ไม่มีไม่มีพูดทุกพอเห็นความจริงมันไม่มีพูดทุกมันไม่มีเราทุกนะก็จบนะ มีปัญหาคือว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังมีความคิดมั่นว่ามีเรามีมีเรามีกูอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีทุกข์เท่านั้นก็เลยมีมีกูผู้ทุกข์ด้วยถ้าเห็นถึงที่สุดวน ต, ตัวกูนะั้เป็นแค่มายามันมันก็นักเล่นกลที่เล่นกลนได้เก่งมากนะจนเราเชื่อนะหลวงพ่อมเกตนก็พูดอยู่เสมอนะไอ มายาที่เราหลงเชื่อเนี่ยมันก็เหมือนกับ น, นักเล่นกลนแต่พอเราจ้องมองดูดีๆก็เพราะว่ามันเป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นการการหลอกมากกว่ามันก็ไม่หลงเชื่อแล้วกล น, นั้นมันก็มันไม่สนุกแล้วเพราะเรารู้รู้รู้เคล็ดลับของมันแล้วก็ไม่หลงเชื่อต่อไป ให้เรียว่าความความไอตัวโกยมันสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็หลอกให้เชื่อให้หลงพอเห็นความจริงว่ามันไม่มีก็จบอันนี้เราเป็นสุดยอดของการค้นพบตัวเองเพราะนั่นจริงเนี่ยที่ที่นักที่คนหนึ่งก็พูดเนี่ยภารกิจเขาคือการค้นพบตัวเองกับการสลายตัวตนนี่ ที่จริงมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะข้อแรกข้อที่สองเนี่ยคือถ้าค้นพบตัวเองได้อย่างที่สุดมันก็มันก็มันก็พบว่ามันมีตัวตนตั้งแต่แรกแล้วต่ว่าไปก็ไม่ต้องสลายอะไรเลยนะแค่เห็นความจริงก็มันก็จบแล้วให้พวกเราส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในช่วงการแสวงหานียยังต้องแสวงหายังต้องค้นหาตัวเองให้พบ เัาต้องทำความรู้จักกับตัวเองไม่ใช่แค่รู้ว่าเราเป็นใครเรามีนิสัยอะไรเรามีเราต้องการอะไรนะเท่านั้นนะแต่ว่าการรู้จักการรู้จักกายรู้จักกายรู้จักกายรู้จักใจอย่างแท้จริงเ่มันเป็นสิ่งที่จะต้องทำต่อไปเรื่อย แน่าจะยังไม่รู้ถึงที่สุดแต่รู้ในแต่ละขณะแต่ละขณะว่ากายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรในขณะนีนะ้รู้กาย ร, รู้ใจในปัจจุบันขณะ น, นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญมากเป็นประตูเลยการรู้กาย ร, รู้ใจใแต่ละในปัจจุบันขณะรู้ว่าใจตอนนี้กําลังมีความโกรธมีความเบือ่อหรือว่าจิตกาลังแจ่ซ้ายเบิกบาน ะ, นะ รู้อาการของใจในแต่ละขณะแต่ละขณนะกายทำอะไรก็รู้มันมีเวทนาเกิดขึ้นก็รู้สักแต่ว่ารู้นะไม่เข้าไปเป็นนะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่มีทางจะรู้จะเห็นอะไรก็ต้องออกมาอยู่ห่างออกมามองมาันาห่างๆเนะข้าไปข้างในว่าไม่เป็นไม่เห็นอะไร อยู่ในศาลาเนี่ก็จะไม่รู้จักรูปทรงของศาลเรียศาลาเนี่ยจนกว่าจะออกไปข้างนอกก็จะเห็นศาลาชัดว่ามันรูปทรงเป็นอย่างไรเราจะรู้จักกายรู้จักใจรู้จักเวทนานแท้จริงนี่มันก็ต้องออกมาดูนะไม่ใช่เข้าไปเป็นนะเข้าไปเป็นก็เหมือนกับเข้าไปอยู่เข้าไปคลุกคลวงในก็ไม่เห็นอะไร คนที่จะดูมวยชัดก็ต้องออกมาออกมาดูข้างนอกนะไอคนที่ต่อยมวยไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรมันชุลมุลพนพลวัลคนที่อยู่ข้างนอกก็จะเห็นเห็นได้ชัดรู้ว่าใครเป็นต่อโค้ชฟุตบอลก็ต้องออกมาอยู่นอกออกมาอยู่ข้างนอกดูเขาถึงจะรู้ว่าเกมเป็นอย่างไรจะรู้ชัยมันต้องออกมาออกมาดู อยู่ข้างนอกไม่ใช่เข้าไปเป็นอการและใจตรนั้นก็เหมือนกันนะจะรู้ชัดมันก็ต้องออกมาคือเห็นนะไม่เข้าไปเป็นเห็นเห็นเห็นชัดเห็นไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าโอ้มันในกายและใจมันไม่มีตัวตนเป็นแก่นสารเลยแล้วก็ไม่ใช่เป็นของใครด้วยอันนี้ก็จะทําให้พบ ว่าใช่จริงตัวกูไม่มีตั้งแต่แรกอชาตินี้พูดกับท่านนี้กลับ